16. คนมีดีวิธีกินอ้อยมีอยู่2แบบคือแบบปกติกับแบบสนามในยามที่บ้านเมืองสงบเรียบร้อยนิยมกินแบบปกติคือกินปลายเข้าหาโคนจะได้รู้สึกว่ายิ่งกินก็ยิ่งหวานแต่ถ้าบ้านเมืองเกิดฉุกเฉินมีศึกเหนือเสือใต้กินอย่างนั้นไม่ได้ท่านว่าต้องกินแบบสนามคือกินจากโคนไปหาปลาย เพราะไม่รู้ว่าจะถูกฆ่าสึกโจมตีเมื่อไหร่ถ้าเคราะหามยามร้ายถูกจู่โจมขณะกําลังกินก็จะได้โยนอ้อยข้างปลายทิ้งไม่ต้องอะไรยอาวอนมากเวลานี้เหตุการณ์บ้านเมืองก็สงบรบาบคาบไม่มีอะไรน่าวิตกการเสนอบทความธรรมะในคอลัมน์มุมสว่างก็น่าจะใช้แบบปกติจะได้รู้สึกยิ่งอ่านยิ่งได้รสและเพื่อสนองความต้องการของท่านสมาชิก ที่ได้ขอร้องมาเป็นจำนวนมากที่จะได้อ่านมุมสว่างในฐานะเป็นแนวทางศึกษาและปฏิบัติอย่างสมบูรณ์และขอมาทางบรรณาธิการสวัสดิการให้พิมพ์ข้อความมุมสว่างลงในกระดาษแผ่นเดียวเพื่อสะดวกในการเก็บเรื่องและท่านบรรณาธิการก็ตกลงจัดให้ตามที่ขอร้องทางฝ่ายข้าพระเจ้าซึ่งเป็นผู้เขียนก็เลยตกลงจะเขียนบทความอธิบายธรรมะกันต่อไป โดยผู้อ่านจะถือว่าจบในฉบับก็ได้หรือจะถือว่าไม่จบก็ได้แล้วแต่จะถือหรือจะไม่ถือทั้งสองอย่างก็สบายใจดีเหมือนกันจับเรื่องที่ให้ชื่อไว้ข้างบนนี้ทีเดียวคือเรื่องคนมีดีความจริงเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยพูดมาหลายครั้งแล้วพูดต่อหน้าคนฟังก็เคยพูดทางวิทยุก็ดูเหมือนเคยจำได้ไม่ถนัด เว้นแต่ที่เขียนออกเป็นตัวหนังสือจำได้ว่าไม่เคยเขียนไว้ที่ไหนคำว่าคนมีดีเป็นคำวิเคราะห์ศัพท์ของคำว่าคนดีคือคนเรามีอยู่สองประเภทคือคนดีกับคนชั่วหรือคนร้ายคำว่าคนดีคนดีนั้นเป็นคำยออ่อถ้าอยากจะทราบความหมายก็ต้องขยายออกเป็นคำว่าคนมีดี จะได้เห็นความชัดว่าคนดีก็คือคนมีดีนั่นเองคํายาวๆแล้วตัดให้สั้นอย่างนี้เรียกว่าคําสมานมีอยู่มากในภาษาไทยเราเช่นคําว่าตักข้าวใส่บาตเราตัดคํากลางเสียเหลือเพียงตักบาตรถเทียมด้วยมา้าตัดเหลือรถมา้าเหล่านี้เป็นต้นคําอื่นๆก็ยังมีอีกมากเฉพาะคําว่าคนดี เมื่อขยายความออกเป็นคนมีดีแล้วส่องความให้เราเห็นหลายชั้นคือเห็นว่าคนต่างหากดีต่างหากคนจริงๆเป็นคำกลางๆไม่ดีไม่ชั่วในตัวคนมีอวัยวะตาหูมือเท้าสาหรับใช้ทางานเหมือนๆกันไม่ว่าจะเป็นลูกใครหลานใครคนในบ้านคนในวัดคนในกระท่อมคนในคฤหาตก็มีอย่างนี้ ในระหว่างคนที่เป็นนักโทษกับคนที่เป็นผู้คุมนั้นดูแค่อวัยวะร่างกายแล้วก็เหมือนเหมือนกันคือเป็นคนด้วยกันแล้วเหตุใดโลกเขาจึงว่าว่าคนนั้นเป็นคนดีคนนี้เป็นคนชั่วนั่นมันแล้วแต่ใครจะมีอะไรคือถ้าใครเป็นคนมีดีอยู่ในตัวเขาก็เรียกว่าคนดีใครเป็นคนมีชั่วอยู่ในตัวเขาก็เรียกว่าคนชั่วเท่านั้นเอง แก้วเปล่าๆเราเรียกว่าแก้วเอาน้ำเทใส่ลงในแก้วใบนั้นกลายเป็นแก้วมีน้ำเราก็เรียกว่าแก้วน้ำเทน้ำทิ้งเสียเอายาใส่แก้วมียาเราก็เรียกว่าแก้วยาหรือถ้าเทยาออกทิ้งเสียเอาเลยาใส่แก้วมีเหล้าเราก็เรียกว่าแก้วเหล้าผลที่สุดก็แก้วใบเดียวนั้นเอง ตัวเรานี้ก็เหมือนกันกับแก้วนั่นแหละชื่อเดิมจริงๆก็มีคำเดียวคือชื่อคนเท่านั้นเองเพราะได้เกิดมาเป็นคนกับเขาทีนี้จะเป็นคนอะไรต่อไปก็แล้วแต่เราจะเอาอะไรเข้าบรรจุไว้ในตัวถ้าเอาดีมาใส่ตัวเราเราเป็นคนมีดีเอาชั่วมาใส่ตัวไว้กลายเป็นคนมีชั่วเขาก็เรียกเราว่าคนชั่วแต่ถ้าอะไรอะไรก็ไม่มีในตัวเลย สักแต่ว่าเป็นคนกับเขาเป็นคนว่างๆก็เรียกว่าคนเปล่าคือโมคบุรุษคนประเภทนี้มีสัก์สูงกว่าพวกมีชั่วบ้างเล็กน้อยเรียงตามทัศนะทางศาสนาคนเรามีสามชั้นคือ 1. ชั้นคนมีดี 2. ชั้นคนเปล่า 3. ชั้นคนชั่วเพราะฉะนั้นผู้รักความเจริญกนะ้าวหน้าและห่วงในค่าตัว อย่ายอมเสียชาติเกิดต้องพยายามถอนตัวจากชั้นคนมีชั่วและเลื่อนชั้นตัวเองจากคนเปล่าขึ้นเป็นคนมีดีให้ได้